เราให้ธรรมชาติธรรมชาติให้เราวันที่27กุมภาพันธ์งพันกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสา ม, มเณรคุณไม่ชีกันเลยมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะก็พูดคำเก่าว่าเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์แต่หลายอาทิตย์แล้วก็เบี้ยวหน้าที่นะเมื่อกี้ถามผู้กว่าไม่ได้พูดนานแคไหนก็บอกเป็นเดือนแล้วนะเนาะ อาทิตย์ที่แล้วก็คือพูดมาย8ปีนะพูดมาเยอะมากเนาะก็บางทีก็ไม่มีอะไรสำคัญก็พักคอบ้างวันนี้คิดว่าต้องมาพูดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกำลังมองมองหาโจทย์อยู่ก็เจอไม่ชีแผ่นะยังไม่ป่งผมเพราะไม่ชีแผ่จะลาศึกวันที่ยี่บแปดเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไป ช่วยงานที่ศูนย์กรุงเทพนะก็ฝากไม่ขีแพ้ด้วยเพราะพี่แอดเองก็ช่วงหลังที่บ้านก็มีกิจอะไรบางอย่างช่วยเป็นที่นุ่นก็จิตอาสาก็ไม่ค่อยมีพี่กันก็ให้ต่อยอดให้แข็งแกร่งกว่า น, นี้ก่อนโอเคนะที่นุ่นเขาก็ทำหน้าที่เขาที่น่นเขาก็ทาหน้าที่ที่นี่เราก็ทำหน้าที่บังเอิญที่ศูนย์เนี่ย หลังจากเดือนตุลามานะเราก็มีหน้าที่นะพอครูก็ทํามาทั้งสามศูนย์นี้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เลี้ยวไปตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะแล้วก็ศูนย์จิตใจก็บังเกินต่อสาราไปเริ่มเสร็จนะมันเป็นลำดับนะมันเป็นลาดับไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนที่แรกก็ต่อโรงอาหารเรานะ แล้วก็สร้างที่พักญาติธรรมแล้วก็มาต่อตรงนี้โรงเรียนมีอะไรบางก็แวะไปไปทำให้เขาแต่หลังจากตุลามานี่เราก็ไปทุ่มเทให้ทางศูนย์ปากทองทุกอย่างต้องสมดุลคำว่ามัชิมาปฏิปทานเนี่ยทางสายกลางนี่ก็คือความพอดีความสมดุลเมื่อสมาชิกเรามากขึ้น โรนะงเรียนก็เป็นปีแรกที่มีถึงม .6 นะแล้วเปิดตั้งแต่อนุบาลป .1 แล้วก็ปี1ต่อป .2 ป .3 ไล่มาจนถึงม .6 นะ ก, ก็เต็มอัตราศึกแล้ว <c oughs> ทีนีเ้เมื่อปากท้องมากขึ้นกลายเป็นว่าทำให้ศูนย์ปากท้องเราไม่สมดุลนะพวกครูก็ ปล่อยให้ทางโรงเรียนทางคี่เนี่ยเขาดูแลครู ค, คีดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรอะไรซื้ อ, อนะก็บังเอิญว่าช่วงหลังที่ครูคีเดินทางไปอเมริกานะก็เลยก็พี่แก้วก็มารับหน้าที่แทนพี่ผุ้ยก็มาช่วยดูแลนะเพราะครูก็เลยพอติดตามตัวเลขบ้างนะแต่ที่ผ่านมาหลายปีก็ไม่ได้กังวลมันก็ผ่านมาได้ตลอดนะ บางทีเราก็มีตู้บริจาคอะไรหรือว่าญาติธรรมมาปฏิบัติแล้วก็เขาก็ทำบุญนะพระกูก็ส่งให้โรงเรียนแต่เราไม่เห็นตัวเลขแต่หลังจากพี่พุยมาดูแลนี่ช่วยดูแลเรื่องนี้แล้วเนี่ยแก้วก็รายงานเรื่องตัวเลขแล้วก็ดูว่าก่ออาทิตย์หนึ่ง6 7เจดหมืน่นนะช่วงมากๆก็เป็นแสน นะเอาเป็นว่าเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งต้องสองแสนกว่าถึงสามแสนอันนี้เฉพาะค่าซื้ออาหารนะส่วนค่าแรงงานไม่คัวอะไรหรือค่าน้ําค่าไฟก็ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ตกซื้อข้าวของเนี่ยประมาณปีหนึ่งก็ตกประมาณก็สมล้านนะก็บังเอิญว่าเดือนตุลาเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านเมืองเรานะโดยเฉพาะ บารมีพ่อหลวงของเรานั่นแหละก็ทําให้ผู้กลับมามองนะที่ศูนย์เขาก็เขาวางลําดับมาตลอดเออพอดีก็เหมือนเตือนว่าเราต้องกลับมาดูศูนย์ปากทองนะแล้วก็มันเป็นของใหม่หมดนะเพราะยี่กว่าปีก่อนพ่อครูก็ทําเกษตรเพื่อชีวิตนะพิมพ์หนังสือแจ ก, กเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายทําอยู่ทํากินทําทานทําเพราะทำ ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทานศีลภาวนาการให้ทานเป็นหน้าที่เรานะนอกจากทําอยู่ทํากินแล้วเนี่ยก็ต้องแบ่งปันให้ทานก็ทํามาตลอดแต่ช่วงหลังนี้ไม่กี่ปีเนี่ยศูนย์เราเหมือนออมันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะนักเรียนก็มากขึ้นครูก็มากขึ้นญาติธรรมหลังจากพระครูไปบรรยายเนาะเขา ก, ก็มาใช้ศูนย์ที่มากขึ้น ซึ่งท่านในทางโลกถือว่าเขาก้าวหน้าตามลําดับขั้นของเขาไปตามเหตุและปัจจัยนะตอนนี้ก็ถึงเวลาเราวกกลับมาดูเรื่องศูนย์ปากทองนะก็มองคีย์เขาไม่คนไม่พูดมีอะไรเขาก็หมุนให้มันได้นะทีนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายนะอย่างเราเปิดตู้บริจาคแล้วนี่ยพ่อครูถือกุญแจเองนะชีวิตเราหยุดเรื่องนี้แล้วก็ต้องมานั่งตรงนี้แล้วก็โอเค ทางศูนย์เด็กเล็กมีอะไรนว่าดขาดหรืออะไรบางทีก็แบ่งไปทางโ น, น้นนะทางศูนย์จิตใจเราเนี่ยพี่ปุ๊กมีอะไรเพราะว่าพระคุณเจ้าสามเณรลูกคุณแมช่ชีเดินทางเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมของเราล้วก็ต้องถวายปัจจัยเดินทางแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าบ้างที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้เราเหมือนครอบครัวใหญ่นะไม่แยกว่าของเธอของฉัน แผนกไหนขาดปุ๊บก็เอาไปใส่นะก็ดูแลกันมาจนยี่บแปปีนะพเพราะคูไปซื้อของในเมืองพเพราะคูไม่เคยรู้ราคามันเท่าไหร่นะพเพราะคูซื้อของถูกที่สุดแตนะถูกเพราะพราพราะคูไม่รู้ราคาแต่พเพราะคูรู้จิตถ้าร้านไหนจิตมันไม่ปกติพราะครูก็ไม่ไปอีกเลยนะก็ถ้าซื้อก็ซื้อนะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ มันจึงไม่มีถูกไม่มีแพงอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้เราก็ซื้อมาม า, ม า, ม, า, ม, า, ม, ามาพัฒนาศูนย์เรานะก็ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาก็มีโอกาสนะกลับมาทำกเกษตรอีกในขณะที่อายุ68นะชีวิตเราหยุดลนะทไมมาอยู่กับดินกับน้ำนะกับต้นไม้นะนะเคยคิดไหมว่า บ้านปลยใหญ่แบบ น, นี้ไม่ได้คิดมันก็เป็นไปนตามเหตุและปัจจัยแต่ไม่ได้ทําด้วยความลําบากใจหรือทุกยากอะไรนะก็เป็นความปกติเราประทาหน้าที่ <c oughs> ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันไม่ได้เที่ยงมันความเปลี่ยนแปลงตลอดนะแต่ถ้าพูดในภาษาโลกพ่อกูก็มีความสุขกับที่พ่อกูได้อยู่กับผักนะก็ได้มาคุยภาษาผัก ตีสี่ตีห้าพ่อ ก, กูก็มาทุกวันจอดรถเอาไฟฉายไปส่องดูนะไปเซ่ฮลโลนะนะไปหวัดดีตอนเช้าสวัสดีนะแล้วต้นไม้เขาก็ฟ้องพ่อคูทุกวันนะ เ, ออเขาชอบเขาก็เงยหน้าขึ้นเขาไม่ชอบก็หัวเขาตกค้างอยู่ตรงนี้เอาฉันมาอยู่อย่างนี้ทำไมนะพ่อกูก็มีความสุขก็คุยกับเขา คือเราทำอะไรก็ช่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรื่องจิตวิญญาณก็ช่างถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธาไม่ใส่ใจแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่เราเราเร า, เราไม่เห็นคนอื่นเลยเราก็ไม่เห็นตัวเองไม่เห็นอารมณ์ตัวเองนะโดยเฉพาะธาตุสีธาตุสีบางทีมีอารมณ์ร้อนมากก็ออกมาในทางโกรธนะ โกรธนะบางทีก็ไม่ระวังก็เบื่อนะบางทีไม่ระวังก็กลัวเพราะเราไม่เคยดูแลตัวเองนะอันนี้พื้นฐานนะทุกคนต้องดูแลตัวเองก่อนนะต้องปรับสมดุลของธาตุสี่ตัวเองนะให้มันสมดุลนะคำว่าเป็นกลางก็คือสมดุลคือพอดีวันไหนธาตุไฟมากปุ๊บก็ตัวร้อน ไม่สบายนะวันไหนมันเย็นไปทานน้ำมากปุ๊บมันก็ไม่สบายก็คือเป็นหวัดนะถ้าเราดูแลตัวเองปุ๊บเราจะเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหมดเราจะเข้าใจสัตว์ทุกชนิดเราจะเข้าใจต้นไม้พืชผักทุกชนิดเขาก็ประกอบด้วยธาตุสี่ ช่วงนี้หลายคนถ้าไม่ยอมเปลี่ยนนะไอ้พ่อครูทําอะไรบ้าๆบอๆนั่นนะนะปลูกผักอะไรเป็นแบบนี้น ะ, <_ C 1> นะเนื่องจากว่าปลูกดินนี่เราก็ปลูกกันมาแล้วพ่อครูทำามื่อ28ปีก่อนนะหลังจากสองสามเดือนนี้ลงมือสร้างเนี่ยช่างหล่อเนี่ตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มไวบไวน้อยๆหนึ่เขาบอกพ่ อ, อพครูทํามาหมดแล้วที่นี้ที่ทําอยู่เนี่ยนะ เพียงแต่ว่าสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็คือไฮโดรโปนิกที่เราไลดินนะพ่อครูปกติไม่ชอบอะไรที่ฝืนธรรมชาติปลูกผักกลางมุงอย่างนี้นะนะแล้วก็ไลดินแล้วก็ไปเล่งมันเนี่ยพราคูไม่เคยชอบนะายพอถึงว่าจริตส่วนตัวแต่ทีนี้ไม่ใช่ชอบไม่ชอบโลกมันเปลี่ยนแล้ว ดินฟ้าอากาศไม่เหมือนเก่าปีที่แล้วมะ น, นาวที่บ้านพักปะกูสองต้นไม่เหลือใบไม่จัดนิดหนึ่งเห็นไหม28ปีไม่เคยเป็นแบบนี้มันเกิดบ้างแต่ว่าปีที่แล้วแรงมากกองทัพผีเสื้อมาเต็มเลยนะโดยเฉพาะตระกูลส้มหรือว่าพวกเปียวเปียวเนี่ย มันกินจนไม่มีเหลือเลยมะนาวมันไม่ตายแต่มันชชางักหมดเลยต้องใช้เวลาฟื้นฟูยาวมากต่อไปมนุษย์จะเจอวิกฤตตัวนี้ยิ่งแรงขึ้นทุกวันนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยเนี่ยนะอันนี้อันนี้ผีเสื้อนะ ถ้าวันใดวันหนึ่งเสือสิงห์กระทิงแลดอยู่ในป่ามันนัดกันมาไปเยี่ยมมนุษย์เข้าเข้าเมืองเราวิ่งไม่ทันนะอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะแล้วพวกพึ่งด้วยเนาะฉันทำรังดีๆก็มาแย่พึ่งแเอารังฉันไปบอกมันมันนัดกันหมายว่าไปเยี่ยมมนุษย์สักครั้งหนึ่งเเราจะวิ่งไม่ทัน เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่เคยเกิดมันกําลังเกิดแล้วเพราะโลกใบนี้มันเกิดวิกฤตเกิดวิกฤตนะเห็นไหมธาตุไฟของโลกมันเยอะเห็นไหมมันร้อนภูเขาน้ําแข็งโค่นโลกเหนือโค่นโลกใต้เนี่ยกำลังละลายอย่างอย่างเป็นบ้าเลยนะกว่ามันจะกาะเป็นภูเขาน้ําแข็งเป็นล้านล้านปีแต่ไม่กี่พิธีผ่านมาเนี่ยมันละลายแบบก้าวกระโดด อาทิตย์ที่ผ่านมาก็วิจัยครั้งสุดท้ายนวิทยาศาสตร์2000พวกครูจำไม่ได้42 43เนี่ยอีกแค่ยี่สิบปีเนี่ยประเทศเมืองทุกเมืองที่อยู่ข้างริมทะเลทั่วหมดไม่ต้องรอร้อยปีนะลูกหลานเราจะอยู่ยังไงกรุงเทพเราเนี่ยไม่ต้องท่วมเยอะนะท่วมขึ้นมาแค่หัวเขาแล้วไม่ลงอีกเลยนี่ ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้นี่คือฝีมือมนุษย์ที่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะอันนี้ออกมาแล้วนะซึ่งไม่ต้องรอนะักวิทยาศาสตร์เขาพูดนะเพราะกูสัมผัสเห็นอยู่แล้วว่ามันจะเกิดแบบนี้นะแล้วอยู่ที่นี่แต่ละปีเนี่ยเราอยู่ริมเขื่อนเราเห็นชัดเลยนะเวลามันลงมันลงไปไกลมาก ไม่มีเลยหลายปีไม่มีสมัยก่อนมันน้ำมันขึ้นสูงถึงรั้วที่พักบ้านพ่อกูนะหลายปีแล้วไม่เคยถึงแต่ว่าเวลามันแห้งมันลงไปไกลมากนะแล้ววันนี้ก็เกิดเหตุเพราะมันไม่สมดุลหลังจากเราพัฒนาเกษตรเราก้าวกระโดดเหมือนกันเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ขยันขันแข็งพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ก็ขยันข็แข็งคุณไม่ชีก็ขยันขันแข็งนะ ทีนี้เมื่อขยันขันแข็งแล้วการใช้น้ำก็มากขึ้นวันนี้ไอ้ซัมเมิร์ที่มันสูบน้มามดานอยู่ตรงหน้าที่พักคุณไม่ชีมันก็ไหมเพราะว่ามันทำงานหนักมากแล้วก็ก็ขยายสวนสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์ก็ต้องการน้ำ เพื่ก็ต้องการน้ำทุกคนก็ขยันขันแข็งทาน้าสุดท้ายไอ้เครื่องสูบเนี่ยมันก็เลยไม่เลยแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็ไปเอาเครื่องเล็กๆมาสูบก่อนวันนี้นะ mm. ก็พรุ่งนี้พ่อครูก็ต้องเข้าเมืองนะก็เปลี่ยนแผนใหม่ว่าที่แรกคิดว่าจะทำโครงกลางน้ำมันเสร็จแล้วเราจะค่อยแปวน้ำในเขื่อนนะที่จริงแล้วพ่อครูซื้อสายไฟมาเป็นเดือนน่ะ ช่างเราก็ถูกไปดึงไปทําอย่างอื่นนะก็พรุ่งนี้ก็ต้องบังเอิญพรุ่งนี้ในหมู่บ้านมีงานศพนะคนงานก็คงไม่ได้มาวันหนึ่งก็ถือโอกาสพรุ่งนี้จะมาซื้ออุปกรณ์อะไรเนี่ยแล้วก็มะลืนนี้ก็ต้องระดมคนทุกคนเนี่ยลงไปที่แพ่ต่อสายไฟใหม่ต่อท่อน้ําใหม่อะไรหมดแล้วก็เอาขึ้นมาไม่งั้นโปรแกรมโครงการที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมเราขาดน้ํา พืชก็ต้องการดินน้ำลมไฟสัตว์ต้องการดินน้ำลมไฟเราก็ต้องการดินน้ำลมไฟสตว่าเราอดข้าวสักสามสี่วันห้าวันเจ็ดวันหรือบางคนมีชาหน่อยเป็นเดือนเดือนก็ไม่เป็นไรเห็นไหมขาดน้ําอดน้ําก็อยู่ได้สามสี่วันห้าห้าวันก็ได้อยู่แต่เราถ้าเราไม่หายใจสักสามนาทีห้านาทีเราตายนะธาตุลมนี่ก็สําคัญตอนนี้เราปลูกพืชผักอยู่ในดินและดินมันเสียหมดแล้ว สังเกตเราปลูกผักถ้าเราไม่พรดินบ่อยๆมันจะไม่สวยเพราะมันขาดอากาศถา้าก็ทางดินพักกูก็พยายามเออให้ทางทีมออไม่ชีปฐมเราเนี่ยนะไม่ไม่ชีดินลองลองลองนะคือลองลองเติมอากาศ เ, เข้าไปในดินนะก็เมื่อวานนี้เราก็ได้ปลูกมะม่วงลอยฟ้านะคือสร้างแทนกันมาให้มันตั้งอยู่ข้างบนนี่แหะ เอาเข่งใส่ข้างบนนั่นแล้วก็ให้มีอากาศเข้าก็วันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มปลูกแล้วก็ช่วยจดบันทึกไว้ด้วยมันเป็นยังไงเราต้องเติมอากาศให้มันส่วนเราปลูกน้ํามันขาดธาตุดินไฮโดรเปนิกขาดธาตุดินเพราะในดินเนี่ยมันมีธาตุอาหารปกติใช่ไหมแต่ถ้าว่าดินเนี่ยมีธาตุอาหารมากแต่ว่าขาดน้าเนี่ยรากมันก็สังเคราะ ละลายสารอาหารเขาไปเลี้ยงมันไม่ได้เห็นหมเมื่อเราใช้น้ำมันมีน้ำเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่มันขาดธาตุดินขาดสารอาหารเราก็ต้องเติมสารอาหารเข้าไปในน้ำแล้วก็ให้น้ำมันเคลื่อนไหวหรือว่าให้ออกซิเจนมันแล้วก็ ส, อสอ่องเคาะแสงด้วยนะถ้าเราปรับสิ่งแวดล้อมให้เขาได้สี่อย่างนี้ครบที่นี้พืชแต่ละชนิด เขาก็ต้องการไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจเขาเราต้องรู้นิสัยเขาแล้วเราก็ปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับเขานั่นแหละธาตุสีนี้สำคัญมากส่วนวิญญาณวิญญาณธาตุเน็ตนะถ้าเราเติมเข้าไปด้วยนะเราจะเห็นความรู้สึกของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้สำคัญมาก ไอ้ตัวนี้ประกอบด้วยปัญญานะต้องมีอินทรีย์ภาระมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญานะแล้วก็ไปทำนะไปดูแลเขาถ้าเราไม่ใส่ใจเราก็ไม่ไม่ประจักษ์รู้แจ้งว่าพืชแต่ละชนิดสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันเหมาะแบบไหน เห็นไหมพืชผักเมืองหนาวเอามาปลูกบ้านเราปลูกได้ไม่ได้ติดแอร์ให้มันก็ได้แต่สําคัญว่าจําเป็นต้องทําขนาดนั้นไหมมันคุ้มกับต้นทุนเราลงหรือเปล่าเห็นไหมดีที่สุดแล้วก็หาไอ้พืชไล่อะไรที่มันเหมาะกับเราง่ายๆนะพวกคูก็กลางมุ้งแบกใหญ่เลยนักคำก็ปลูกปลูกปลูปลูกปูกไปปลูกมาปลูกไปปลูกมานะวันนี้พวกคูไปยืนดูของนักคำจากนี่ไปมุ้งตัวนั้นล่ะ เพราะคูยังไม่ได้ศึกษาว่าศัตรูพืชของของผักบุ้งมันมีอะไรบ้างจำเป็นต้องมีมุงไหมนะพราะว่าแปลงนั้นนะครัไม่ต้องปลูกอย่างอื่นเอาผักบุ้งอย่างเดียวนะมนุษย์เราบริโภคด้วยกระต่ายหนูแล้วก็สัตว์ทุกชนิดก็เอาไปกินนะทีนี้เราต้องทำทีละอย่างทีละอย่า ง, ะางนะ เพื่อให้มันพอกินของเรานะที่พ่อครูทุ่มเทให้ไฮโดรโปนิกเนี่ยพ่อครูกำลังศึกษาอยู่ว่าพืชประเภทไหนเหมาะกับระบบไหนแม้กระทั่งปลูกในน้ำนะตอนนี้บางคนไ ม, ไม่ไม่ขึ้นไปศึกษานะหนึ่งน้ำนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่เราเติมออกซิเจนให้มันเหมือนตู้ปลาอันนี้เราก็กำลังลอง หนึ่งน้ำเคลื่อนไหวแบบขึ้นลงขึ้นลงนะเวลาขึ้นปุ๊บให้น้ำมันท่วมรากนะสักพักหนึ่งลงให้น้ำมันรับอากาศอันนี้ก็อีกระบบหนึง่งอันนี้เหมาะกับพืชบางอย่างนะโดยเฉพาะพืชที่มันมีรากยาวๆ ส่วนบางอย่างน้ำไหลนะพืชบางอย่างชอบน้ำไหลนี่เร็วหน่อยปริมาณเยอะหน่อยแต่พืชบางอย่างต้องการไหลช้าๆปริมาณน้ำน้อยมากาเรากำลังสังเกตมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องทำระบบนั้นระบบนี้เห็นไหมเรากำลังลองกัน เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์มันเป็นปัจจัยสี่อย่างหนึ่งอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในสอย่างที่สําคัญมากสําหรับมนุษย์เราต้องกินเราต้องกินทุกวันและโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้พองขึ้นมันไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นแต่มนุษย์เราเนี่ยประชากรมากขึ้นทุกปีมากขึ้นทุกปีและอุตสาหกรรม ธุรกิจนิยมก็มาแทรกแซงมาบุกลุกที่ทำกินเอาไปทำโรงงานเอาไปทำสนามกอบมันจะขัดแย้งในขณะที่คนมากขึ้นแต่พื้นที่พ่อปลูกมันน้อยลงถ้ามนุษย์เราไม่เตรียมตัวเนี่ยต่อไปเราจะเกิดวิกฤตเรื่องอาหารแล้วมาเจอกับภัยธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็เพี้ยนปีก่อนนี้ หมู่บ้านนี้เป็นที่เนินเนาะก็ไม่เหมาะปลูกข้าวเท่าไหร่เป็นเป็นที่ไร่แต่มีบางบางแปลงที่เป็นนะเป็นที่ลุ่มอยู่ ก, ก็ปลูกได้แต่สองสามปีที่ผ่านมาลาบากมากบางทีปีหนึ่งปลูกสามครั้งไม่ได้กินข้าวปลูกปุ๊บกำลังขึ้นมาดีๆฝนทิ้งช่วงตายอีกมันตกลงมาอีกก็รีบปลูกอีก สุดท้ายก็ตายอีกปลูกสามครั้งไม่ได้เกี่ยวข้าวมันมีสิ่งบอกเหตุเราว่าโลกนี้จะเกิดวิกฤต์นะส่วนสังคมมนุษย์นะเกิดวิกฤตทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเนี่ยมันมันเกิดแล้วล่ะส่วนภัยธรรมชาติเองฤดูกาลเองมันก็เกิดวิกฤต์นะก็พราครูเล่าให้ฟังเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ เราเปลี่ยนเหตุปัจจัยไม่ได้แต่เราอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันนะเหมือนเราพายเรือลำนี้ออกทะเลด้วยกันแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบก็ช่างมันอยู่กลางทะเลแล้วเนี่ยฉันไม่อยากไปได้ไหมอย่างน้อยๆเราต้องประคองเรือลำนี้ให้มันเข้าถึงฝั่งใช่เพราะคูถึงบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องมาช่วยกันดูเรื่องอาหาร เรื่องจุกจิกๆเรื่องขัดแย้งกันทางความนี่ๆน่อย น, อยนี่ทิ้งไปตอนนี้สำคัญคือชีวิตเราสำคัญรักษาชีวิตเราให้คงอยู่แล้วมีโอกาสบำเพ็ญเพียรสร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองนะก็พอครูเห็นแล้วก็สั่งครูชีว่าบรรจุเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนเราอย่างจริงจังเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องธาตุสี่ นะดินน้ำลมไฟถ้าเราเข้าใจธาตุสีของพืชแล้วเราจะเข้าใจธาตุสีของตัวเองนะแล้วเราจะรักพืชรักสัตว์แล้วก็จะรักตัวเองมีญาติธรรมหลายคนเขาก็ตั้งประเด็นไอ้พระครูมาทางสายทำไปยุ่งกับสัตว์ทำไมใช่ไหมบางคนเ ข, เขาก็บอกว่า พาลหันจะไปยุ่งกับคนอื่นเหรอทำไมจะไม่ยุ่งพระพุทธเจ้านี่ ย, ยุ่ง 45, สี่สิบ้าพันษาก่อนที่จะลาสังขารนะหมเรารักสัตว์เราเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เราฆ่าสัตว์ไม่ใช่เรารลังเกียจมันนะเราต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราตอนนี้เนี่ยใ้ทุกคนไปกินกินผักหมดเลยเนี่ยจเจ้าผักที่ไหนมาบริโภค อาหารที่มนุษย์บริโภคทุกวันนี้เนี่ยอาศัยอาหารทะเลเจ็ดสิบเอร์ซนตถ้าไม่มีทะเลไม่มีอาหารธรรมชาติมนุษย์เรียบร้อยหมดละแต่คิดว่าตัวเองเก่งนะแล้วแล้วก็ไปเบียดเบียนอาหารทะเลจับปลาเล็กปลาใหญ่เอามันหมดมันมันจะศูนยพันเดี๋ยวเราก็นั้นแล้วจะมีพื้นที่ที่ไหนปลูกผักให้มันพอกินนยได้ไหมแล้วอย่ปฏิเสธเรื่องนั้นเพราะคนส่วนใหญ่เขายังต้องพึ่งสัตว์ ก็พวกครูก็ดูหลายอย่างนะเด็กๆต้องดื่มนมนะที่ผ่านมาเราก็เสริมนมถั่วเหลืองอะไรซึ่งมีด็อกเตอร์คนหนึ่งจบด็อกเตอรสอ์สองสถาบันสองปริญญาหนึ่งทางเรื่องโภชนาการสามทางเรื่องอาหารเนี่ยเคยมาคุยกับพวกครูเขาบอกอยากให้เด็กกินนมกลัว คือเซลล์มันกับเราไม่เหมือนกันเห็นหั้ยตัวมันโตแต่ภูมิคุ้มกันมันจะไม่ดีนะโปรโตีนิตจากพืชผักหรือถ้าจำเป็นต้องกินนมที่มาจากสัตว์นี่นะเขาบอกนมแพะดีกว่าเนะพราะกูคิดว่าทำสวนสัตว์เลี้ยงก็เราเลี้ยงไปเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้และให้ เด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสสัตว์ให้เราคุ้นเคยกับมันรักมันในขณะเดียวกันถ้าสัตว์เนี่ยมันตอบแทนเราได้หนึ่งมันตอบแทนเราได้อย่างหนึ่งคือมูลสัตว์ขี้ของมันเนี่ยมีประโยชน์ขี้ของมันเป็นทรัพยากรมนุษย์เราถูกทุนนิยมมันบอกกับมนุษย์เป็นแค่ทรัพยากรก็ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยหมักนะก็เป็นทรัพยากรอย่าง น, น้อยสัตว์เหล่านี้เขาก็ให้มูลสัตว์เรา ที่นี่ไก่ไข่เขาก็ให้ไข่เราเป็นโปรตีนเห็นไหมเป็ดก็ให้ไข่เราเราต้องรักมันนะปลูกพืชที่มีประโยชน์นะเราบริโภคด้วยให้สัตว์บริโภคด้วยแล้วสัตว์มันก็จะตอบแทนเราเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเห็นไหมเมื่อเราปฏิเสธเคมีแล้วเนี่ยเราเราจะปฏิเสธมูลสัตว์ไม่ได้ทีนี้ต้องบรจัดว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหน ที่พ่อคูตัดสินใจมาลังเลเลยเนี่ยพ่อครูดูองค์รวมใหญ่ว่าทุกคนอนาคตเนี่ยมนุษย์เราจะอยู่ยังไงบังเอิญตรงสวนยางตรงนั้นน่ยมันอยู่นอกเขตศูนทีนี้ช่างหล่อก็ขอกรีดปีหนึ่งกี่ดเนาะทํางานกลางคืนพอกลางวันก็นอนกันไปหมดแล้วยางก็ไม่มีราคาพ่อครูบอกหยุดเปลี่ยนสวนยางให้กลายเป็นป่ายาง เอามาทําประโยชน์นะเป็นที่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ได้ก็วันนี้เพิ่งมอบมเมล็ดพันุญ้าวันนั้นพ่อครูก็ไปมาหาอะไรบนก็ไปเดินเห็นมเมล็ดพันยา่าอะไรพ่อครูก็ซื้อเข้ามาส่วนหนึ่งให้ช่างหลอว่านั่นละ่ะสวนยางอยู่โซนที่มันติดถนนนะ่ะไปตัดต้นยางที่มันต้นเล็กๆออกไปส่วนหนึ่งให้แดดมันส่องได้แล้วก็ เอ า, าเล็ดญ้าไปปลูกนะก็ให้แก้วเขาค้นหาว่าไอ้แพะพันนมมันมีอยู่ที่ไหนส่วนมากภาคอีสานไม่ค่อยมีไม่คุ้นเคยแต่ว่ า, าชาวอิสลามนั้นเขากินนมแพะนะเขานิยมก็เราไปเจอที่ภูเก็ตแก้ ว, กกวติดต่อญาติธรรมราภูเก็ตเนี่ยช่วยหาแพะตัวเล็กๆตัวเมียสัก1ิบตัวตัวผู้สักสองตัวนะเดี๋ยวเขาจะจัดการมาให้ นะเราก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรเนี่ยเรียงเขาแล้วต่อไปยังมอบหมายดูว่ามันเหมาะกับแผนกไหนที่จะไปบีบนมแพ้นะเรามาทำโยเกิด์กันนะแล้วก็มาดื่มนมแพ้กันโนะดยเฉพาะเด็กๆต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องดื่มนะแพ้เขาน่ารักนะตอนพวกกูทำเกษตรเพื่อชีวิตนนัมีคนเอามาให้ แค่คู่หนึ่งนะเพอพับเดียวเต็มไปหมดเลยนะมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งใบอะไรทั้งใบเลปินไปต้นไม้ไปกินด้วยนะถ้ามันมีนะไม่ต้องเลี้ยงยากเลยนะโอ้โหมันขยายเร็วมากเลยพวกกูโอ้พวกกูบอกหยู่จุดๆไม่เอานั้นเป็นแพะเนื้อไงแต่ว่ามันดีไปอย่างหนึ่งนะมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเราเลี้ยงอยู่อยู่ใต้ไอ้ต้นมะม่วงใต้ต้นขนุนนะ่ะ มันเป็นเครื่องตัดหญ้าดีที่สุดเลยเมื่อต้องเสียเวลาป่าวัชพืช น, นะมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าวัชพืชไม่มีเลยนะแล้วมันแพรเผยแพร่เผาพันธุเร็วมากแต่ดินเป็นแพะ่นมไงนะพอ ก, กูก็เลยให้ยาที่ทำคนหนึ่งเขาเป็นอดีตนายทาหารนะบอกยกให้เขาหมดเลยเขาก็เอารถบรรทุกมาใส่ไปเลยนะ ก, ก็ก็เราเราล้มตอนนั้นคือเราได้อะไรคือว่าหนึ่ง มูลของเขาเนี่ยเห็นไหมก็เลี้ยงต้นมะม่วงต้นขนุนเราแล้วเขาก็ป่าไว้ชืชเราจะไมเพราะกูเลยว่าตอนนี้เราจะเลือกเอาแพะนมนะเขาบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยให้นมเราได้บางทีร้อยห้าสิถึงสองร้อยวันต่อปีนะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยวันหนึ่งมันให้กิโลครึ่งถึงสองกิโลกว่า ใไอนมมันน ะ, นะซึ่งเขาวิจัยแล้วว่ามันมีประโยชน์กว่านมโคอันนี้ก็ระยะยาวลูกหลานเราก็ต้องดื่มนมนะก็เอานี้มาเสริมแล้วก็บอกเอาไปทำโยเกิร์ตให้เด็กๆบริโภคเนี่ยมันมีประโยชน์อันนี้เราก็เมื่อมันทําแล้วเราก็ทําอย่าไปคิดอะไรมากมายนะเราต้องเมตตาสัตว์นะ อย่างไม่ชีประถมเห็นไหมเรามีห่วงโซ่อาหารเราทำกระชังบกแล้วก็มีปลาพอะก็เปลี่ยนน้ำหนื้อปลาดุกโตตัวยาวขนาดนี้บักใหญ่เลยเห็นไหมใช่ไหมเราเลี้ยงเขาเราเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่มันก็ขี้ให้ปลากินขี้ปลาตอนนี้นะคขาก็ไปทำละคือไปกรอง บ่อนี้กรองปุ๊บมาถึงบ่อนี้ก็เอาเอนไซม์ใส่นะเพิ่มจุดดินทรีย์ให้น้ําตรงนั้นแล้วก็มีบ่อพักเนี่ยเดี๋ยวสองวันนี้เราก็ทําแทงน้ําแล้วก็ใช้แสงโซล่าเนี่ยก็สูบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยน้ําหยดไปในนาแวกนั้น <c oughs> อันนี้คือห่วงโซ่อาหารนะอันนี้เราก็เด็กๆ ก, ก็ได้เรียนรู้ได้ว่าความสมดุลนะทุกอย่างต้องสมดุล เราจะรู้ว่าชีวิตเราประกอบด้วยอะไรนะเรียนรู้กับสัตว์เรียนรู้กับพืชเรียนรู้กับดินฟ้าอากาศก็วันนี้เราทํามะนาวลอยฟ้าเนี่ยเราต้องมาทําสิ่งที่เราไม่เคยชอบเลยแต่ถ้าเราไม่กลางมุ้งให้มันเนี่ยบางทีปลูกมาตั้งหลายปีนะเขายกกองทับมาทีเดียว จบเลยนะอันนี้เราอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปฆ่ า, มาแมลงแต่เราป้องกันนะส่วนที่มันจะเป็นอาหารเป็นปัจจัยสี่ของเราเราก็ป้องกัน <c oughs> มแมลงเขาก็ทำหน้าที่ผีเสื้อเขาฉลาดนะเขาเป็นแม่ที่รับผิดชอบชีวิตลูกนะ เขาจะไปวางไข่เขาจะไปหาวางไข่ตรงที่ลูกเขาเนี่มีอาหารกินนะต้องเรียนลูกกับเขานะเขาซื่อสัตว์เขาเขาทำหน้าที่เขาอย่างตั้งมั่นนะไม่ใช่ตอนนี้เด็กสาวเราบางคนนี่คลอดลูกปุ๊บก็ไปทิ้งที่สะพานลอยที่กรุงเทพนะอันนี้อายผีเสือ้อนะอย่าไปรังเกียจมันนะพอเด็กๆไปไปไปไ ป, ไปปลูกบังเอินว่าเรายังไม่ได้กางมุงทั้งหมดไฮโดรโปนิกนะ มันก็มีบางพวกก็เดินผีเสื้อตัวหนึ่งเข้ามาเดี๋ยวมันก็แอบไปวางไข่เดี๋ยวหมดมันก็เป็นตัวอะไรล่ะตัวตัวแพ้เชือ้อนะล้วก็เห็นบางทีเด็กๆปูกก็บน่นเออมีเพี้ยเพราะว่าเออขึ้นป้ายลูกเขียนป้ายว่าเขตเพี้ยกับมแมลงห้ามเข้านะส่วนเขาจะเข้าแล้วเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เขา ถ้าเราคิดว่าต้องการทําแล้วก็เรามีอาหารจริงๆเนี่ยเราก็ป้องกันสมัยก่อนเราไปนอนป่าเราก็กางม้งนอนเห็นไหมเรายังป้องกันไม่ให้ยุงกัดเราอันนี้เมื่อเรารักพืชผักเราก็ต้องป้องกันให้มันนะป้องกันไม่ใช่เราลังเกียจแมลงต่างๆนะมแมลงนี่พ่อคูพ่อกูเห็นเขาทําหน้าที่ซื่อสัตย์มากพ่อครูโอมนี่แหละเขามีคุณธรรม ก็มีคุณธรรมนะมันทุกปีเนี่เราจะมีเรื่อดูหนึ่งจะ ก, กระจันมันเต็มศูนย์เลยเห็นไมมันร้องเพลงมันเรียกก่อนมันร้องอ ง, อ ง, อ ง, องเห็นไหมแล้วสุดท้ายก่อนที่มันจะเสียชีวิตมันก็วางไข่ก่อนเขาทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายของเขาเห็นไหส่เดือนโตโ ต, ต, ต, ตเห็นไหมเขาจะวางไข่ไว้ แล้วเขาจะเลื้อยเลื้อ ย, อยมามาตากแดดตายทํำไมเขารู้จักหน้าที่นี่เพราะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนถ้าเราไปโรงเรียนแบบทุกวันนี้เราไปสอนเอารู้ความรู้วิชาการเพื่อจะเอาไปชนะเขาอะไรเนี่ยเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวแม้กระทั่งลูกตัวเองคลอดมาก็าไปทิ้งทีลล่สะพานลอยนะสัตว์มันไม่ทํานะเห็นไหม ผีเสื้อมันจะวางไข่ที่ไหนมันต้องเลือกต้นไม้อะไรที่ว่ามันเป็นอาหารของลูกมันมันกินต้นมะนาวเราจนไม่เหลือเลยเห็นไห ม, ไหมอย่าไปโกรธเขานะเราต้องเรียนรู้กับเขานะโดยเฉพาะไอ้ผักไฮโดรโปรนิกส์ตื่นเช้ามามันโผล่โผโมันมันโตเร็วมาก เพราะสัญชาตญาณของเขาเนี่น้ำมันไหลเนี่ยเขากลัวว่าฝนมันจะแรงเขาเขารีบดูดซับอาหารเลยเลยยี่บสี่ชั่วโมงเขาไม่ได้หยุดนะเพราะครูถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้ไหมทําไมมันโตเไวเนี่ยเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนถ้าไปโรงเรียนปุ๊บมันจะเรียนวิชาฮาลัฮาโลโหลฮัลโหลอะไรก็ไม่รู้ไม่ตั้งใจเรียนไงไม่รับผิดชอบหน้าที่แต่ไอผักไฮโดนี่มันรับผิดชอบหน้าที่ทุกวินาทีเลย มันไม่เอาเวลาของมันไปคิดเรื่องไร้สาระเห็นไหมไอการไปโรงเรียนมีประโยชน์นะแต่ถ้าไม่ระวังเนี่ยครูโรงเรียนไม่ระวังไปสอนแต่เรื่องขยะนี่กลายเป็นโทษมหันต์เราจะไปหลงความรู้เราว่าเราเป็นผู้รู้มันจะสร้างอัตราขึ้นมาความรู้นั้นเป็นแค่ขยะความรู้เป็นความรู้ที่คนอื่นเราไปท่องจาของเขามาเห็นไมล่ะแทนที่จะเอาเวลาตั้งมั่นดูแลตัวเองอะนะเห็นไม มัวจะไปยุ่งกับเรื่องไม่เกี่ยวกับชีวิตใช่ไหมเราปลูกผักเราเลี้ยงสัตว์เราจะเข้าใจชีวิตเราจะเข้าใจธรรมชาติวันนี้พระกูก็เดินไปอยู่กับผักมาทั้งวันก็เดินไปเยี่ยมสัตว์ตอนนี้นกยุงนะเขาเริ่มเขาเริ่มคุ้นเคยละเห็นไมเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมันแผ่ ลำแพนใช่ไม้มเห็นไหมเขาก็เริ่มลํำแพนแล้วแล้วก็พี่นุ้ยก็ารายงานว่ากระต่ายมันออกลูกห้าตัวนะเออเขาก็ไปเปิดดูนะครอบครัวพิภาคสาจะกลับเขาก็ไปลา ก, กระต่ายก่อนเด็กๆสามคนบอกว่าไปดูลูกไปดูวงในเห็นไหมแล้วจะเกิดความเมตตาถ้าเราไม่ทำหน้าที่พ่อแม่ตั้งมั่นเราจะอายกระต่ายผู้ถานพี่นุ้ย มันเข้าไปไ ม, ม่วันหนึ่งมันวิ่งเข้าไปในลังมันเนี่ยแค่สองครั้งสามครั้งไปให้นมลูกมันแล้วมันก็ออกมาหากินนะแต่แม่ทุกวันนี้เนี่ยคลอดกอาูกไปทิ้งนะวิ่งไปหาวัตถุข้างนอกมันก็ขาดความอบอุ่นะกระต่ายมันไม่ทำ ทำไมมันรู้ว่ามันต้องเลี้ยงลูกมันคําตอบคือมันไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเก่านั่นแหละมันนี่คือมันมีคุณธรรมมันมีคุณสมบัติตามธรรมชาติมันเป็นสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญานในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเขาต้องเลี้ยงลูกเขาแต่ถ้าเราไปโรงเรียนปึ๊บสอนว่ามึงต้องเก่งนะมึงต้องเอาเปียบมันนะเออนะมึงชนะมึงถึงจะดีนะอะไรเนี่ยมันจะ ความรู้ผิดตัวนี้จะครอบงำสัญชาตญาณเราคุณสมบัติตามธรรมชาติเราเนี่ยหายไปหมดมันไม่ได้หายไปไหนมันถูกกบเกิือนนะพอทำหน้าที่มันก็บอกเบือ่อเซง็งคุณสมบัติตามธรรมชาติหายไปหมดไม่พอใจก็โกรธนั่นแหละคนที่มีอารมณ์นี้เนี่ยพระครูแนะนานะไปเยี่ยมกระต่ายเยี่ยมหนูน้อยบ่อย มันน่ารักมากมันไม่มากเรื่องมันไม่งอแงเห็นไหมไม่งอแงพี่นุ้ยอยู่กับมันนา น, านพี่นุ้ยคลักแบบรักมันเห็นไหมเลือกของดีๆให้มันกินนักคำก็เอาผักบุงใหญ่ๆ ก, กินปุ๊บพระูก็ไปยืนดูมันเลือกกินใบก้างมันยังไม่กิน พี่นุ้ยบอกก้านให้มันกินทำไมใช่ไหมมันมันกินใบมันนะครับมาเดี๋ยวมันก็กินเพราะคูก็ดูอยู่เดี๋ยวมันก็วิ่งมากินก้านอยู่แต่พี่นุ้ยรักมันพี่คุยก็ต้องการเอาที่มันชอบกินใช่ไหมใบมันคือหูฉลามของมันเนาะก้านมันบอกว่าเอาไว้เวลามันไม่มีจะกินจริงๆมันค่อยมากินพี่นุ้ยก็จับก้านมันทิ้งออกมาข้างนอกหมดเลยทําต่อหน้ารพระครูนะเขาแสดงถึงความรักต่าย เห็นไหมคุณธรรมไม่ต้องสอนมีอยู่แล้วทุกสรรพสัตว์แต่ตัวนี้มันหายไปหมดเพราะเราไปใส่ความรู้ผิดเข้าไปกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะพอมาได้ดั่งใจก็มีอารมณ์นะกระต่ายมันไม่ทำอย่างนั้นนะหนูมันก็ไม่ทำอย่างนั้นเห็นไหมมันน่ารักมากแมลงก็ไม่ทำอย่างนั้นมันซื่อสัตว์มากนะ ทามาหากินแม้กระทั่งมันจะออกไข่ที่ไหนมันก็ต้องเลือกจนที่ว่าออกไข่ปุ๊บพอมันออกเป็นตัวปุ๊บลูกมันจะมีอาหารกินมันไม่ซีสวปล่อยเห็นหถ้าเราไม่เรียนรู้กับสัตว์กับพืชเนี่ยเราจะกลายเป็นคนโง่คนเห็นแก่ตัวไม่ใช่ฉลาดนะเป็นคนโง่ามากนะผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องระวังเด็กทุกคนเกิดมาเขามีคุ ณ, ธ, คณธรรมอยู่แล้ว เขามีสัญชาตญาณที่จะต้องดูแลตัวเองดูแลลูกเขาแต่พอไปเรียนปุ๊บเรียนปุ๊บมุ่งแต่เรื่องวัตถุนิยมอะไรอะไอลูกมาก็ไปทิ้งให้ยายให้ย่าเลี้ยงดีเพื่อนี้ก็ไม่มีย่ามียายทิ้งไปที่สะพานลอยเลยเนี่ยอันนี้อายสัตว์นะไอสัตว์กระต่ายเขาก็เลือกเห็นไหมเขาก็เลือกไปออกลูกอยู่ใน เห็นไหมที่มันบังฝนได้บังเอินว่าสองสามวันก่อนฝนหลงดื้อดูเข้ามาเห็นไหมลูกมันก็ปลอดภัยอันนี้ออกลูกไปทิ้งที่สะพานลอยไม่ลูกคิดได้ยังไงนี่แหละบางทียิ่งเรียนก็ยิ่งโง่นะยิ่งเรียนก็ยิ่งหลงความรู้ตัวเองไม่ได้ดังใจก็โกรธนะไม่พอใจก็เซ็งก็เบือ่อนะนั่นแหละเดินเข้าไปสวนสัตวบ์บ่อยๆ เดินไปคุยกับต้นไม้ใบหญ้าพืชผักที่เราปลูกเราจะเข้าใจชีวิตชีวิตเขากับชีวิตเราเนี่ยเท่ากันหนึ่งดวงจิตเหมือนกันเดี๋ยวไปหลงว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นนะไม่เห็นมเราหายใจเข้าเราไม่ออกเราก็ตายแล้วหนูเหมือนกันก็ะต่ายเหมือนกันเท่ากันพอตายปุ๊บ คนเราอู้ทำงานงามศพยิ่งใหญ่มากเลยบางคนเสียทีเสียไปหลายหลายร้อยล้านก็เอานะงานศบงานเดียวแทนที่จะไปช่วยเหลือคนยากคนจนถ้าสุดท้ายเอาเสียทีไปเผานี่ยมันกลายเป็นทองคำไหมมันก็เป็นขี้ดินขี้เท่าเหมือนกันเท่ากันเอากระตายไปเผาปุ๊บมันก็เป็นขี้เท่าเหมือนกันอย่าไปหลงว่าตัวเองมีอะไรเด่นเก่งกว่ามันนะ ถ้าเก่งกว่ามันก็อย่ากโกรธสิเห็นไหมโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่ดีอย่าไปเลี้ยงนะบาปด้วยนะเพราะเราลักกันบริเวณมันออกมาหากินไม่ได้เนี่ยนะคือถ้าเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงดีๆถ้าไม่เลี้ยงก็อย่าไปเลี้ยงตอนนี้สุนัขจรจัดเข้ามาในศูนย์เยอะเลย เพราะว่าเราชอบไปเลี้ยงมันทีนี้มันเริ่มมันก็เริ่มสัญชาตญาณก็มาหาอาหารไงพวกครูบางทีนั่งอยู่หน้าศูนย์แอบดูเน่ะมันก็วิ่งเข้ามาจากข้างนอกวิ่งเข้ามาแล้วบางตัวแอบไปดูกระต่ายอาหารจานโปรดนะพวกคูก็นั่งดูเขามันน่ารักไนงะไม่ได้โกรธมันเลยนะมีแต่ว่าถ้าเรา ป้องกันกระต่ายแล้วก็ต้องป้องกันความปลอดภัยเพราะกระต่ายมันไม่มีทางสู้สุนักถ้ามันโดดเข้าไปนี่แหละบางทีพ่อครูก็ปรึกษาอยู่ว่านักธรรมเลี้ยงหมาไหมมันเข้ามาในศูนย์จับมันไปเลยขังมันอยู่ในห้องนั่นแหละในบริเวณกว้างเราเอาอาหารดีๆเลี้ยงมันเลยแต่ถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงมันเลยนะแต่ถ้ามาปล่อยเป็นแบบนี้นะเด๋ยวมันก็กัดกันมันอะไรมันมันทำให้วุ่นวายไปหมด มันควรจะอยู่ในสิ่งที่มันที่เว ท, ที่มันจะอยู่นะคือสัญชยาตญาณของสุนทรขัดมันก็เป็นอย่างนี้นะยิ่งฤดูที่มันผสมพันธุ์มันแย่งกันอะไรโอ้โหมันวุ่นวายไปหมดเลยนะครูบาอาจารย์เราอยู่วัดป่าเนี่ยท่านเมตตามากแต่ท่านไม่ยอมให้พึ่งอยู่ในวัดนะหลายปีก่อนบ้านพักพระครูเนี่ย เขานอนศีรษะไปทางทิศตะวันออกเขามาสร้างรังพึ่งอยู่ข้างนอกนะ่พึ่งท่าขวางตะวันเลยนะพึ่งรังใหญ่มากตอนเช้าปุ๊บเสียงมันดังมากมันบินเหมือนออกจากคอนโดวู้ไปเลยนะและมันรู้เวลานะมันกลับมาพร้อมกันอีก เพราะมันพุ่งมาเนี่ยพลังมันเยอะมากมันพุ่งมาพร้อมกันเลยเข้าไปในคอนโดของมันที่ว่าพึ่งขวางตะวันเนี่ยมันกัดคนตายเลยนะมันแรงมากนะซึ่งมีครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งกรรมาฐานอยูนะ่วัดป่าแห่งหนึ่ง บังเอิญไอ้พึ่งขวางตะวันนั่นมันมีนกตัวหนึ่งมันบินมามันไปชนมันไงมันลงมาลุมกัดของพระคุณเจ้านั้นตายคาที่เลยคือสัญชาติญาณของสัตว์นะส่วนมากเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะทำพิธีเอาควันไล่ไล่หนีไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ความปิดของสัตว์ ความปิดของมนุษย์นี่ไปทำลายล้างป่าไปที่อยู่แต่มันก็บุกเข้ามามันก็ไปหาที่อยู่ของเขาเนาะแต่ว่าบางอย่างเราต้องหาความพอดีของเราเพราะเรามีเด็กๆ ด, ด้วยนะอย่าไปติดรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นนะพวกเราต้องอยู่ต้องกินนะอย่างน้อยๆพวกเรามาใช้ชีวิตนี้ลูกหลานเราใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยอย่างน้อยๆเราช่วยกันดูแลก็ปลอดภัย อยู่สังคมข้างนอกเนี่ยทุกคนสัญชาตญาณเดิมถูกครอบงำดาดยไอ้ความรู้ผิดความอยากแล้วเนี่ยมันจ้องที่จะเล่นงานกันบางทีไม่มีอะไรก็จับเด็กไปเนี่ยตัดแขนตัดขาเพื่อให้พิการแล้วก็ไปนั่งขอทานคนเรามันสัตว์มันไม่ทำอย่างนี้นะแต่มนุษย์เราทำพวกที่มีอาชีพนะจับเด็กมาตัดแขนตัดขาแล้วก็ ถึงเวลาปุ๊บตอนเช้าก็เอาไปส่งจุดนั้นจุดนี้มนุษย์ทำได้ทุกอย่างเห็หม่มาอยู่ข้างนอกไม่ปลอดภัยนะก็ถ้าพวกกูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสังคมมนุษย์โลกทุกวันนี้นะมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญนะ่มันจะเกิดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โดยเฉพาะาประเทศระหว่างประเทศ แข่งขันยื้อแย่งแล้วสุดท้ายนี่แต่ละคนจะเอาตัวรอดแล้วสุดท้ายไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งนะได้เปรียบก็ดีเห็นไหมพูดภาษาแบบหน้าตาเฉยเลยนะได้เปรียบทางการค้าถือว่าดีคุณคิดว่าคนอื่นเขากินแกล่เอเข้าใจว่า ถ้าได้เปรียบทางการค้าประเทศนั้นเราได้เปรียบเราดีแล้วคิดว่าเขาจะดีใจบอกทุกคนก็ต้องการได้เปรียบหมดแล้ะแล้วยังไงเห็นไหมภาษามันพูดหน้าตาเฉยว่าได้เปรียบทางการค้านถือว่าเราเก่งแสดงว่าคนอื่นเขาโง่อันนี้ภาษาหนึ่งสองเพิ่มอาวุธทางปัญญา ถาว่าถ้าพูดภาษาหยาบๆหน่อยมึงจะเอาไปฆ่าใครแล้วมันไม่ใช่คิดเฉยๆนะมันทําจริงๆเลยนะไม่ใช่จะเอาชนะช้างหรือแรดนะมันจะเอาชนะมนุษย์ด้วยกันเองอนะนะดูภาษาเหล่านี้มันแรงไหมแล้วก็มองมนุษย์นี่เป็นแค่ทรัพยากรเป็นเหมือนขี้ไก่ขี้เป็ดนะก็ทรัพยากรนะ่ามาเป็นปุ๋ยได้นะ ดูภาษาทุนนิยมว่าถุนิยมมันเป็นอย่างนี้สิพูดหน้าตาเฉยเลยนะโอ้ได้เปรียบทางการค้าถึงจะดีแล้วมีใครบ้างชอบเสียเปรียบสงคารามล้างหนี้ก็มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะพวกเราฟังแล้วไม่ต้องตกใจโลกแตกเราก็ตายโลกไม่แตกเราก็ตายนั่นแหละแต่เราไม่ประมาทให่เราเตรียมพร้อมความตายทุกเชา้าเห็นไหมเตรียมตัวตายทุกวัน อยู่ที่ว่าตายแบบยิ้มได้หรือว่าตายแบบทุรนทุรายยังไม่อยากตายเนี่ยเราเราเราเตรียมทุกวันเมื่อกี้ก่อนจะมามีรายการหนึ่งเขาคุยถึงเรื่องนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ยุคนี้เนี่ยสตีเฟนฮอปกินนะเคยได้ยินชื่อไหมนะมันก็ทำนายว่าโลกใบนี้อยู่ได้ไม่นานส่งเสริมให้มนุษย์นี่ ศึกษาดาวดวงไหนที่น่าจะไปอยู่จะได้รักษาเผ่าพัานธุมนุษย์เพราะครูบอกว่าไอ้เผ่าพัานธ์เร็วๆนี่ให้มันตายหมดดีกว่าไปรักษามันไว้ทําไมเดี๋ยวมันจะไปทําลายโลกอื่นอีกนะดาวดวงอื่นอีกนะ <c oughs> เข้าใจเปล่าต้องดูดาวบอกดูดาวต้องดูดาวนะนะตัวเขาเองเป็นยังไงเปนนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เนะี่ยเพราะครูไม่ได้พูดใส่ร้ายนะความจริงนะตอนนี้มันเคลื่อนไหวไม่ได้กระพริบตาได้อย่างเดียว ยังไม่ยอมหยุดอีกยังทำนายนู่นทำรายนี่นะฮะเลขาคู่ใจเขาเป็นพยาบาลก็เขาก็พิบตาก็โนดวากว่าอย่างนี้อย่างนี้สามปีก่อนเขาทำนายอะไรรู้ไหมเขาบอกทีมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยจะเป็นแชมป์ต้องแต่งสีแดงด้วยมันก็แต่งชุดสีแดงจริงๆมันตกรอบแรกเลย <c oughs> ไม่มีงานทำ ไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเห็นบริหารชีวิตตัวเองจนเดี่ยงขยับไม่ได้ยังอวดเก่งอีกยังกระพริบตาบอกสูตรเขาอีกคนเรามันไล้สารามากนะนักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยต้องมาเรียนรู้กับกระต่ายพ่อครูเนี่ยกระต่ายมันไม่ง่ททำให้มันเครียดจนมันเดี่ยงนะ เห็นไหมเขามองแต่เรื่องวัตถูกมองแต่ยังไงจะเก่งๆเขาก็เลยเครียดไงเขาไม่เห็นความจริงไม่ไม่ได้เห็นตัวเองเลยเห็นแต่ความสําเร็จในชีวิตในทางโลกเอาสําเร็จแล้วเนี่ยดังแล้วเคลื่อนร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้พูดก็ไม่ได้กระพริบตาได้อย่างเดียวเนี่ยใครอยากสําเร็จบ้างแบบนั้นยกมือขึ้นเดี๋ยวพรอกรูส่งไปเรียนรู้กับสเฟนฮอปกิน ที่พูดดังๆให้เขาได้ยินด้วยบอกยอยู่เถอะขยับไม่ได้ก็ดีแล้วหลับตาทําสมาธิหน่อยดีไหมมันจะได้ฉลาดขึ้นยังไปกระพริบตาบอกสูตรเขาอีกโน่นสูตรนี่นบอกทีฟุตบอลอังกฤษ จ, จะได้เป็นแชมป์ตกรอบแรกเลยแล้วคนก็ยังเชื่อเขาอยู่เนี่ยดังที่สุดนะตอนนี้เขาคิดว่าเขาเก่งนะ เขาลงทุนค้นคว้าจนเขาเดี่ยงเขาไม่ได้ว่าเก่งพาะกูบอกให้พ่อกูเจอหน่อยหนึ่งบอกว่ามึงทำไมโง่อย่างนี้มึงไปดูกระต่ายที่ศูนย์พรานคอยมันไม่โง่ขนาดนี้นะมันเบิกบานมากเนี่ยคนอวดเก่งอวดรู้รู้ไม่จริงถ้าคนรู้จริงๆก็ต้องอย่าทำให้ตัวเองเดี่ยงสิคุณดังแล้วได้อะไรล่ะ นี่แ่ะไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยเห็นตัวเองเลยมัวแต่ไปวิจัยของนอกกายคาดคเนนั้นคาดคเนนี้พวกคูว่าเขายังมีประโยชน์นะเนี่ยพูดไปหน่อยหนึ่งคนอยู่เมืองนอกเน่ยฟังภาษาไทยเป็นช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังหน่อยหนึ่งพวกครูเตือนนะเวลาที่เหลือยังมีประโยชน์นะอย่า ก, กระพริบตาหลับตาเลย ตามลมหายใจก็ได้สอนวิธีเหวี่ยงเขาหน่อยหนึ่งมันจะได้ฉลาดขึ้นขนาดขยับไม่ได้เลยยังไ ป, ไปกระพริบตาสื่อคนอื่นเน่มาส่งออกตลอดเวลาเห็นไหมะพวกเราอย่าทำอย่างนั้นเรียนรู้ ก, กับธรรมาชาตินะชอบไม่ชอบก็ช่งางบ้างๆก็เดินไปดูนะไปดูคุณเมชีน้อยเรา ปลูกพืชกับดินคุณไม่ชีมัธยมเราปลูกพืชกับน้ำนเดินไปดูสวนสัตว์บ้างไม่ใช่ดูเพลินๆนะนั่งจ้องหน้ามันเลยนะลองศึกษาคุยภาษากระต่ายดูนะแล้วเราจะเข้าใจมันแล้วมันจะบอกกับเราเลยเยอะแยะมากเห็นไหมวันนี้ลูกญาติธรรมสามคนพวกคุเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยลูก กลัวกระต่ายไม่เป็นไรลูกเข้าไปเข้าไปพ่อเขาก็วิ่งพาเข้าไปด้วยนะพอเข้าไปยังเดินกลัวกระต่ายอยู่เนะี่ยข้ที่กระต่ายมันไม่กลัวเราเลยคือเด็กในเมืองไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องนะพอคูบอกนยนุ้ยนุ ย, น ย, น ย, นยเปิดเปิดฟ้าวมาดูให้เขาดูลูกกระต่ายโอ้ยน่ารักมาก ไปเรียนลูกกระต่ายมันออกลูกมันไม่ทิ้งลูกมันมันไม่เคยเอาลูกมันไปทิ้งสะพานลอยเลยแล้วมันก็ต้องหาที่ที่ลูกมันปลอดภัยด้วยฝนตกก็ไม่เป็นไรเห็นไหมบ้านเราอย่าว่าแต่นั่นเลยต้องมาท่องทุกวันเนี่ยข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่า ก, กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าชาวนาวเหนื่อยยากลำบากนักหนาสงสารชาวนา พี่แก้วก็เพิ่งไปบวชเนปาลมาเมื่อวานก็เลคเชอร์เ้าไปฟังเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างนะบางนะสามเณรน้อยเขาตัวเล็กๆแบบแล้วนี่แหละนั่งเต็มไปเลยนะแล้วพวกพี่แก้วเนี่ยก็ไปถวายอาหารไงเชียร์กันตักเยอะๆตักเยอะเนก็บอกพอพๆพอเห็นไหมเราหวังดีกับเขานะเราทำร้ายเขาไม่รู้ตัวเลยนะ หลังจากมาถามว่าที่น่นน่ะต้องกินให้หมดเราไปเลี้ยงเนนที่เราไปทำลายเนนเห็นบางทีเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขาเขาก็บอกพอพอพ อ, พอแล้วตักเอาตักเอาไม่ยอมพอไอ้ทีหนึ่งมารู้ทีหลังทุกคนเสียใจหมดเลยเนี่ยเป็นรังแกเนนพวกเราไม่ใช่บินทบาตตักเยอะๆแล้วไปเททิ้งนะบาปนะ ที่นวนก็ไม่ให้กระทำรู้คความพอดีนะรู้ความพอดีโดยเฉพาะเราเป็นนักบวชนะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะเออสันโดษกินแค่พอดีไม่ต้องกินน้อยไม่ใช่กินน้อยทำงานมากกินน้อยทำงานมากจะเอาพลังที่ไหนทำกินพอดีทำพอดีถ้าจาเป็นต้องคิดก็คิดพอดีนั่นลหละคือทางสายกลาง ไม่ใช่เฮ้ยน่าจะอร่อยวกูตักเยอะๆเลยนะแล้วก็กินมันหมดก็ไปเททิง้งอันนี้เป็นบาปนะไม่ควรทำนะที่ผ่านมาก็มีมีคุณครูบางท่านเขาทำบอกทำมาตั้งนานนันแหละบังเกินเพราะครูนั่งวันนั้นนะมือซ้ายก็ถือปินโนสามชั้นมือขวาก็หิ้วถุงบักใหญ่เลย เมื่อคุณไม่ชีเนี่ยพิจารณาอาหารไปปุ๊บนี่ขึ้นไปก่อนญาติทรรมเลยตักใส่ปิโตเต็มไม่พอนี่ตักใส่ถุงกระดาษไอ้ขนมตรงนั้นใส่เข้าไปหมดเลยพวกกูบอกผู้บริหารว่าห้ามทำแบบนี้เราไม่ได้ห่วงนะให้ญาติทรรมอะไรนี่ทุกคนบริโภคหมดเลยอันที่มันเหลือเนี่ยเราจะตักไปก็ตักไปอันนี้เอาก่อนเพื่อน นะพวกเขาวกไม่ควรทำเดี๋ยวคนพวกนี้ต้องส่งไปนเนปาลนะให้กินให้มันเข็ดเลยนะแล้วไปตักบาทไปเลี้ยงใส่เยอะๆเลยบอกกินอ ย, ย่าหยุดนะให้มันพอดีนะเห็นไหมเราปลูกผักเราปลูกพืนเราจะรู้ว่าหัวกว่าจะได้ต้นหนึ่งมันลำบากแค่ไหนเห็นไหม กระตายสัตว์มันก็กินแค่พอดีไม่ใช่ไปสะสมกักตุนน่ะนะต้องมีสํานึกถ้าคนมีแต่จะเอาจะเอาเนี่ยเราให้ไม่ได้เนี่เราหลอกคนอื่นได้เนี่ยเราหลอกจิตเราไม่ได้นะเราไม่ได้สร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองเลยแถมเพิ่มกิเลสอีกอันนี้บางทีเวียงเงเวียงเยง เ, ยง เ, ยงเหนื่อยร่างกายแข็งแรงทตนเองแต่จิตใจไม่แข็งแรงนะบางทีเวลาจะตายตายไม่ลงนะไม่เอาแล้วต้องเป็นแบบอย่างที่ดี นะถ้าทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองกินแค่ไหนพอดีให้ไปถามหมอดูเนาะบอกแันว่าต้องกินกี่ชามพอดีหรือโง่ขนาดนั้นเ ห, อหรอก็ต้องรู้ว่าเรากินแค่ไหนมันพอดีนะก็นีพี่แก้วก็มารายงานพ่อครูเมือ่อหมดเวลาพอดีเดี๋ยวว่าหลังจะเล่าให้ฟังนะว่าที่นู่นเนี่ยเขาปฏิบัติแบบไหนน ะ, ะสาังขราเขาเป็นยังไงนะ ดัชนีเขาเรียกว่าอะไรนะคือสิ่งดีๆ ด, ดีหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมอุบายวิธีที่มันต่างกันนะแก้บอกว่าภาษากราฟเขพูดมาทั้งหมดเนี่ยพ่อครูพูดหมดแล้วเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยธรรมะมันจะต่างกันอะไรมันต่างกันที่เป่งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาขเขมรภาษาไทยเท่านั้นเองแต่ ก่นของมันมันไม่ต่างกันหรอกนะถ้าปฏิบัติจริงมันก็เปล่งออกมาอย่างนั้นนะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ที่ที่น่าจะเล่าให้พวกเราฟังนะพี่แต่ว่าก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเราจะได้ปฏิบัติกัน <c oughs> ก็ฝากนะทุกคืนวันเสาร์ถ้าเกิดมีการฉายภาพยนตร์แล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัตินาน า, นาจิตตังต่อก็ไม่ต้องมีสุเดียนจันตานะ